MP3 แผ่นที่24ให้คติธรรมหัวข้อว่าปูชาจะปูชนียานังแปลและความหมายว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือมรรคาบริสุทธ์ชาวพุทธแท้อันนี้คือคติธรรมแผ่นที่24ความแปลและความหมายว่าปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชา บุคคลที่ควรบูชานั่นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็บิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ยวัยญวุฒิคุณวุฒิตามลำดับอันนี้เป็นบุคคลที่ควรบูชาตามลำดับเพราะนั้นพวกเราเกิดมาเป็นชาวพุทธต้องเคารพคารวะต่อบุคคลที่สมควรเคารพคารวะที่ยันว่าเป็น ปูชนียะบุคคลพวกเราที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรให้รู้จักกาละเทศบุคคลการสถานที่นี่แหละคือชาวพุทธแท้แต่ถ้าหากว่าพวกเรามีได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาเราตีเสมอไปหมด ปราศาคือความตีเสมอไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำนั้นไม่ใช่ชาวพุทธเพราะนั้นขอให้พวกเราทกทุกท่านที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาคือมรรคาบริสุทธิ์ชาวพุทธแท้ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครอง